โยมน้อางทีก็อยากทำบุญแตกๆนะมีคนหนึ่งไปซื้อตุ๊กตาตุ๊กตาแบบมีเชือกข้างงดึงแล้วทำมืออย่างนี้ได้นะเอามาถวายฮะหลวงพ่อจะไปดึงที่ไหนอะ่ะบอกเขาบอกเอาไปติดย่ามยิ่งประหลาดหนักเข้าไปอีกนะ อย่างพวกเราทําบุญนะมันก็ดีหรอกนะแต่ก็ต้องดูนะของบางอย่างพระไม่ได้ใช้หรอกอย่างปีหนึ่งปีหนึ่งพวกเราของมาให้หลวงพ่อเยอะนะจีวร อ, อะไรพวกนี้ยทุกอันใช้ประโยชน์หมดแต่ว่าไม่ได้ใช้ที่นี่นะทําบุญต่อไปพระส่งไปทางอีสานทางโน้นคนจนข้าวของที่ขาดแคลนมากเลย เคยเห็นบางวัดน่าสงสารที่สุดเลยเมื่อก่อนไปที่สุรินมีวัดหนึ่งชื่อวัดป่าดงคูสมภารท่านชื่อหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมทำมัธีโป้เป็นหลวงปู่ดูลบวชให้ตอนหลวงปู่ดูลจะสิ้นหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลว่าสิ้นหลวงปู่แล้วเนี่ยจะให้เราเรียนต่อกับใครท่านก็ชี้ขาดเลยว่าให้ไปเรียนกับหลวงพ่อกิม นี่หลวงพ่อกิมเนี่ยสมัยท่านหนุ่มๆ น, นะท่านทำงานหนักอาชีพตัดไม้พาฟืนอะไรเงี้ยทำงานหนักมาบวชเป็นพระท่านก็ใจเด็ดมากเลยเด็ดเดียวภาวนาหามรุ่งหามค่ำนะอาหารการกินเขาอัตคัดมากเลยที่วัดบางช่วงนะฉันข้าวกะเกลือหรือกะพลิกอยู่แย่นั้นไม่มีโปรตีน ชาวบ้านไม่ขาดปโปรตีนหรอกชาวบ้านไปจับแมงเมาตกินได้พระไม่ได้ไปจับแล้วคนลำไส้ท่า น, นบางเป็นกระดาษทิชชู่เลยไปผ่าตัดมาเป็นลำไส้อุดตันพาท่านไปผ่าตัดผ่าที่บุรีรัมย์ผ่าแล้วก็ลำไส้ท่านมันต่อกันไม่ติดไส้บางมากเครื่องช่วยหายใจก็ถอดไม่ได้สุดทส่งมาสิริราช ถึงเวลาเขาก็ส <pl ains> ่งบินมาโอ้ิติบัตนะจนแทบไม่มีอะไรเลยเคยเห็นทั้งพระทั้งฉีนะมีเงินเท่าไหร่รวบรวมกันมาหมดเลยนะก็ไม่พอหรอกเราก็ต้องพยายามช่วยกันแต่หลังโรงพยาบาลเขาเห็นหน้าอนาถมากแล้วก็เลยบอกเขามีกองทุนให้แต่ท่านไม่รอดต่อลำไส้ไม่ได้ขาดแคลนมากเลย ทานทางอีสานเนี่ยเมื่สมัยโน้นนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงล้วเดี๋ยวนี้คนอีสานมาทํางานกรุงเทพกันนะเอาเงินส่งไปสมัยโน้อนอยู่เทียนอ้ลําบากวดจริงๆเลยหลวงพ่อได้ของได้อะไรมานะหลวงพ่อส่งไปช่วยทางโน้นนะจีวร อ, อะไรต่ อ, อะไรได้มาเยอะนะไม่ได้ทิ้งเสียเปล่าหรอกส่งไปอย่างพระในวัดหลวงพ่อจะมาเปลี่ยนจีวรเล่นไม่ได้หรอก อย่างน้อยต้องใช้หลายๆปีถึงจะให้เปลี่ยนไม่ใช่มีจีวรปีหนึ่งหลายร้อยชุดนะแล้วก็เปลี่ยนมันทุกเดือนอะไรเงี้ยทุเล็ดเกินไปจีวรนะเขาไม่ได้เปลี่ยนกันตามใจชอบทั้งปีนะก็มีจีวรการช่วงหลังออกพรรษาเดือนหนึ่งไม่ใช่นึกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนขาดก็ปาเอาสิไม่ใช่ขาดก็มาเปลี่ยนครูบาอจารย์องค์หนึ่งนะ ท่านใช้จีวรปืนหนึ่งท่านใช้สิบปีป่าแล้วป่าอีกเจนทั้งหน้าตามันเดิมเป็นไงไม่รู้แล้วปะไปเรื่อยๆไม่ใช่ท่านไม่มีท่านมีเยอะเลยนะวัดท่านนะคนเข้าเยอะแยะเลยคนทําบุญมหาศาลเลยนะเทียบวัดหลวงพ่อกนะับวัดท่านนะวัดท่านสักขนาดนี้วัดเรานิดเดียวเทียบกันบุญบรารมีท่านเยอะแต่ท่านก็ใช้อย่างประหยัดไม่ใช่ทําอะไร ตามใจกิเลสตลอดเวลาหลวงปู่โดนนะไปหาท่านนะชีวอนท่านยังป่าเลยชีวอนท่านนะขาดขาดป่าป่าน่ารักยังเอาส่งกันบ้านดีกว่าเอาตายก็จิตฟุ้งซ่านค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามีกำลังกว่าเมื่อวานหน่อยนะคะ แล้วก็เวลาฟังหลวงพ่อเนี่ยมันจะพยายามไปรวมเป็นความคิดขึ้นมาสรุปบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะามันไม่ได้หรอกแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันจะไม่มองบุมไตรลักษณ์อะค่ะมันจะพยายามไปไปคิดบทเรียนต่ออย่างฟังหลวงพ่อที่เคยฟังก็รู้สึกว่าความรู้สึกหรือการรับรู้มันต่างไปตามสภาพของจิตเรา นะคะแต่เดิมเราฟังได้แบบหนึ่งเดี๋ยวนี้จิตเราแบบนี้ฟังได้อีกแบบหนึ่งมันก็จะไปพยายามสรุปรวมความคิดอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะไม่มองบุมใตรลักษเท่าไหร่อันนั้นเรียกว่าฟังภาคปริยัติการฟังธรรมะมีสองแบบนะภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติจะดูสภาวะไปเลยนะบางครั้งก็ต้องฟังภาคปริยัติจะได้รู้หลักนะรู้แล้วเอาไปปฏิบัติตอนลงมือปฏิบัติอย่าไปคิดเอาให้ดูเอาไม่เป็นไร ก็ต้องฟังให้รู้เรื่องเลยเชิญนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะวันสอง ว, วันแรกที่เข้ามาเนี่ยจิตฟุ้งซ่านมากแล้วก็เมื่อวานได้รับคําแนะนําจากแม่ชีอะค่ะว่าลองลองดูทางด้านกายดูกายเคลื่อน<ม>ไหวก็ดีขึ้นจะ<ม>ขึ้นเจ้าค<ม>่ะก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อแนะนําว่าจริ ง, ร ง, รงๆแล้วเนี่ยควรจะดูกายหรือดูจิตดีดูกายเลยสิดูแล้วดีขึ้นเอานั้นแหละ ดูอะไรแล้วสติเกิดเอาวันนั้นที่เราต้องการนะคือให้เกิดสติสมาธิปัญญาภาว น, ะนาแบบไหนสติสมาธิปัญญาเกิดเอาอย่างนั้นแหละนะรนะบกวนขอกันบ้านหลวงพ่อเพราะว่าน่าจะไม่ได้มาอีกนานนะคะก็ทําให้สม่ําเสมอน ะ, ะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นทําตัวเป็นแค่คนดูรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรอย่าเผลอนานะนะทำในรูปแบบไป นมัส ก, การเจ้าค่ะคือว่าอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลานอนแล้วชอบฝันนะคะแล้วทําไมอ่ะ <laughs> แล้วถูกหวยไหม <laughs> ไม่ไม่ไม่ได้ฝันแบบนั้นคือฝันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเปะสปะอย่างเงี้ยค่ะจิตมันมีหน้าที่คิดตอนตื่นนะึกคิดสเปะสปะตอนหลับก็ฝันสเปะสปะคิดเกี่ยวฝันนะ่ะอันเดียวกันนะแต่คิดตอนหลับเขาเรียกฝันเท่านั้นเองงี้นเราจเจริญสติให้มากนะ อยู่ในชีวิตเนี้จิตไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะพอไปอยู่ในฝันนะจิตไหลแวบไปก็รู้สึกเหมือนกันสติเกิดได้เหมือนกันนะก็ฝึกให้ชำนาญห้ามมันไม่ได้หรอกฝันบางทีก็เป็นทางระบายออกของความเครียดนะจิตเครียดมากๆเอาไปฝันก็มีที่ร่างกายไม่สบายเอาไปฝันก็มีสารพัดเลยบางทีเทวดาหรือผีมาเข้าฝันก็มนะีมีหลายแบบนะ ค่ะอยากขอกันบ้านเพิ่มนะคะขยันนะสม่ําเสมอทำสม่ําเสมอไว้ ข, ขอบคุณค่ะรู้สึกตัวไปแล้วค่อยสังเกตใจตั้งมั่นถึงฐานไหมหรือรู้ตัวจริงแต่รู้ตัวอยู่แบบกว้างๆออกนอกกระจายไปแล้วเพลินๆมีความสุขนะให้ดูนะมันมีสองอันอันนึงรู้ตัวแต่ว่าใจออกนอกกว้างๆมีแต่ความสุขไอ้อย่างนี้ไม่ดีไม่เดินปัญญามีสติอยู่แต่ไม่มีปัญญา อย่างหนึ่งใจมันน้อมกลับเข้ามาเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานใจเราเป็นแค่คนดูนะเราไม่ไม่ถลาลงไปดูอารมณนะ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปรู้บางคนหัดภาวนานะพอจิตไปรู้อะไรจิตกระโจนถลาลงไปรู้ตรงนั้นกระโดดลงไปอย่างนี้ไม่ดีอีกพวกหนึ่งที่ไม่ดีคือประคองไว้กลัวจะถลานะประคองตั้งไว้ทั้งวันนะจิตตั้งอยู่ทั้งวันแนละ้วดูโน่นดูเนี้จะอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็ไม่ดีความสุดตรงสองข้างเนี่ยไม่เอาข้างหนึ่งคือกระโจนเข้าไปหลงเข้าไปข้างหนึ่งบังคับตัวเองเอาไว้นะเราเอาตรงกลางจิตถลำไปรู้ทันจิตตั้งมั่นขึ้นมารู้ทันไม่ใช่เอาอันใดอันหนึ่งหลวงพ่อเคยสงสัยอยู่ตั้ง10บกว่าปี2ีปีสงสัยว่าเวลาเราดูจิตดูใจเนี่ยเราจะดูสภาวะอันนั้นหรือเราจะดูตัวจิตแท้ แล้วได้ยินคําว่าดูจิตดูจิตเราเลยคิดว่าให้ดูตัวผู้รู้ ด, ดูตัวจิตเคยสงสัยนะอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยเราเห็นกิเลสโผล่ขึ้นตรงนี้ปุสนอาปุสนโผล่ตรงนี้เราจะค่อยดูตัวนี้ดีหรือเราจะดูที่ตัวจิตดีมีสองอันนะสงสัยขยับจะถามครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่ดูลยังอยู่นะขยับจะถามท่านนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเอาไว้ก่อนนะอไว้ก่อนท่านก็สิ้นไปเราไปเรียนต่อจากหลวงปู่เทศนะ เรียนไปเรื่อจนทั่งหลวงปู่เทศสิ้นไปเราก็ขยับขยับอยู่ไม่ว่าจะถามจนหลวงปู่สิมก็สิ้นไปอีกองนะในที่สุดครูบาอาจารย์ก็พากันสิ้นไปเรื่อยไม่รู้จะถามใครนะจนวันที่จะเข้าใจนะเข้าใจก็คือไม่ได้เอาอะไรสักอันเดียวเลยนะจิตถลำลงไปรู้ทันจิตตั้งขึ้นมารู้ทันเรารู้ไม่ใช่เพื่อเอาอันใดอันหนึ่งแต่เรารู้จนกระทั่งเห็นความจริงว่าทั้งหมดนี้ไม่มีเราเลย ไม่ใช่ตัวตนของตนทั้งสิ้นเลยถ้าเข้าไปอยากเข้าไปยึดในอันแดนหนึ่งทุกทั้งทั้งนั้นเลยนะใจมันจะเห็นเลยถ้าอยากเมื่อไหร่ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นน่ะอยากอยู่ตรงนี้ก็ทุกนะอยากไม่ให้มาตรงนี้ก็ทุกนะทุกทั้งนั้นเลยอยากจะปฏิบัติก็ทุกนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเลยยิ่งทุกหนักไปอีกนะฉะั้นอยากปฏิบัติต้องให้ปฏิบัติไปก่อนแล้วค่อยไปรู้ทันความอยากเอาฉนั้นภาวนาจริงๆไม่ใช่ภาวนาเอาอะไร แต่ภาวนาจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างนี่แปรปรวนตลอดเวลาทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวภาวนาเพื่อให้เห็นตรงนี้นะไม่ใช่ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาส ง, งบเอาจิตตั้งมั่นแบบนี้แหมจิตดีกิเลสไม่เกิดเลยนะไม่ใช่ไม่ได้เอาตื้นแค่นั้นภาวนาจนเอาเห็นความจริงเลยทั้งหมดนี้ไม่มีเราทั้งหมดนี้มีแต่กองทุกอยากเมื่อไหร่ยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเนี่ยปัญญานี้มีสมขั้นนะปัญญาเบื้องต้นนะี่ ล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราปัญญาชั้นกลางเนี่ยนะจะมีความรู้สึกว่าถ้าจิตมีความอยากถ้าจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์ถ้าจิตไม่มีความอยากจิตไม่มีความยึดจิตจะไม่ทุกข์ปัญญาชั้นสูงกระเห็นกลับข้างกันพบว่าจิตจะอยากหรือจิตจะไม่อยากจิตจะยึดหรือจิตจะไม่ยึดจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะถ้าเมื่อไรภานาจนเห็นว่าขันคือตัวทุกข์นั่นแหละจะรู้แจ้งแทงตลอดล เรียกว่ารู้ทุกนะรู้ทุกไม่ตื้นนะไม่ใช่ตื้นๆว่าปวดท้องเป็นทุกขหิวข้าวเป็นทุกอกหักเป็นทุกนี่นมันตื้นไปนะรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งก็คือรู้ว่าขันนั่นแหละตัวทุกนะจะเห็นขันเป็นทุก์ได้เราก็ต้องตามดูขันมันทํางานเป็นดูด้วยความเป็นกลางทําตัวเป็นแค่คนดูนะเป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้เผลอไปบ้างไม่ใช่รักษาผู้รู้ให้คงที่ตลอดก็ไม่ได้นะไม่มีตัวรู้เลยก็ไม่ได้ก็หลงตลอด งั้นรู้บ้างหลงบ้างนะหลงไปแล้วรู้ทันรู้ทันใจก็ตั้งขึ้นมาแล้เห็นทุกอย่างมันทํางานอัตโนมัติไปหมดนะทุกอย่างเกิดแล้วดับไปดับไปเห็นอย่างนั้นด้วยในสุดเห็นนะขันทั้งหมดเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นขันเป็นทุกข์นะอย่ามาคุยอวดเลยนะไม่พ้นทุกข์หรอกไม่มีทางเลยขภ า, าวนานะกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์นะสู้กันตางตาย แต่ถ้าภาวนาพอให้พ้นทุกข์ให้คลายทุกขนะ์แล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกเป็นโยมก็ทำได้นะค่อยภาวนาธรรมะขั้นต้นๆขั้นที่หนึ่งที่สองะไรนีโยมทำง่ายไม่ยากหรอกพอ ถ, ถึงขั้นที่3เนี่ยโยมเริ่มยากนะขั้นที่สามละากามได้โยมอยู่ในกามจะละยังไงอ่ะจมอยู่ในกามทั้งวันอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนอยากอะไรก็สนองกิเลสไปได้ได้ไดมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษ อย่างพระนะแค่อยากกินขนมก็ไม่มีให้กินแล้วก็เห็นทุกข์นะความอยากทีไรเกิดขึ้นทีไร ท, ทุกทุกทีเลยโอ้โหเห็นเลยว่าไม่ดีเลยกาบนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยจะเห็นทุกข์เห็นโทษได้ชัดกว่ากันแต่เป็นโยมเบื้องต้นนะทําได้อยู่แลแค่เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพอได้ธรรมะเบื้องต้นมีดวงตาเห็นธรรมรู้ว่าตัวเราไม่มีใครจะทุกข์ใครจะทุกข์ ก, ก็เรื่องของมันนี่ไม่ใช่เราทุกข์แล้วนะ แต่มันอดไม่ได้หรอกจะแถมรู้สึกทุกข์ไปด้วยกับมันนะมันไม่ใช่เรานะแต่ปล่อยทุกข์ไปกับมันนี่ธรรมะก็เป็นขั้นขั้นไปนะอดทนเรียนแล้วต้องไปทำเอาจิตใจก็พัฒนาเป็นลําดับลําดับไปพอนานแล้วไม่เกิดปัญญาเห็นขันเป็นใจรักนะไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินต้องเห็นขันลงเป็นใจรักษให้ได้ถึงจะเรียกว่าตัวปัญญาก็ล้างความเห็นผิดปัญญามีหน้าที่ล้างความเห็นผิด ความเห็นผิดเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดที่สุดนะละเอียดกว่าโลบโกรด ล, ลงธรรมดาแล้วเราค่อยฝึกไม่ยากหรอกครับนมัสการเจ้าค่ะระหว่างที่เราก็หนักๆเบาๆสลับธรรมดามลันเต้นเจ้าค่ะวันนี้ดีขึ้นไหมเจ้าค่ะภาว <c oughs> นาไปเราไม่ได้พาวนาเอาดีพาวาให้เห็นว่าแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันต่างหากนะ ในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันห่างละคนน้อยลงไหมเจ้าค่ะเออน้อยลงสิตอบตัวเองได้ไหมคนน้อยลงไม้มมันหายจุกอะค่ะเออคนมากก็จุกสิเห็น <c oughs> ไหมตอบได้เองมาถามทําไมเสียเวลาอยากขอคําแนะนําตอนกลับไปอะค่ะไปดูลงปัจจุบันไปได้นะภาคเพียร น, นะอย่าทําแล้วก็เลิกเลิกแล้วทนะํานะการภานาะต้องสม่ําเสมอสําคัญมากเลย สม่ำเสมอนะสำคัญยิ่งกว่าทำหามรุ่งหามค่ำซะอีกนะหามรุ่งหามค่ำบางทีทำไปด้วยความอยากทำไปช่วงหนึ่งหมดเรีย่ยวหมดแรงก็เลิกไปอย่างนั้นไม่ดีทำสม่ำเสมอนะทุกวันไม่มียอดท้อทำไปเรื่อยการที่เราทำสม่ำเสมอนะคล้ายๆเราคุมตัวอินพุตนะคุมอินพุตไว้นะอินพุตเนี่ยคงที่นะทาเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ใช่ทํแล้วหยุด เอาพุทที่ออกมาคือจิตใจของเราแต่ละวันเนี่ยกลับไม่เหมือนกันทั้งๆ ท, ท, ที่เราภาวนาเหมือนเดิมแต่จิตเราไม่เคยเหมือนเดิมเลยเราถึงจะรู้ความจริงเนี่ยเราบังคับไม่ได้จริงหรอกแต่ถ้าคนไหนขยันภาวนาจิตก็ดีขึ้นต่อมาขี้เกียจจิตก็เสื่อมลงแล้วบอกว่าเนี่ยจิตไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์จิตไม่เชื่อหรอกมันจะรู้สึกว่าถ้าฉันทําฉันก็เก่งไว้นี่ฉันไม่ได้ทํานะถึงเสื่อมไหมกูเก่งเนาะกูเก่งเนะี่ยเพราะฉนั้นสม่สมําเสมอนะต่อเนื่องสําคัญภาคเพียรไปนะ เพื่อชีวิตของเราเองเชียนะให้กําลังใจ <c oughs> ไม่รู้จะทําทไงแล้วต้องเชียอกลับนะักสการหลวงพ่อคะ่ะเออตื่นเต้นมากคะ่ะอแล้วสะเทือนมากตรงลิ้นปี่นั่นแหละกิเลสเวลาเกิดก็เกิดที่ลิ้นปีน่นั่นแหละค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้หดหูมากในการฝึกอืรู้สึกว่าหดหูทั้งวันเลยจนทั้งไม่ไหวก็เลยไปฟัง ธรรมะของหลวงพ่อ hmm. แล้วก็ hmm. ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้น hmm. ก็ไปออกไปรถน้ำต้นไม้ตอ hmm. นเย็นรู้สึกว่าดีขึ้นนิดนึงแต่พอตอนสวดมนต์ก็สวดมนต์แล้ว ร, รู้เลยว่าฟุ้งมากแล้วก็แล้วเมื่อตอนเดินตอนเดินจงกรมก็รู้ว่าฟุง้งรู้ว่าเผลอค่ะไม่ทราบ ว, ว่าที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงบ้างดีสินะภาวนาเรื่อยๆไป แต่เราไม่ได้พาณนาเอาดีหรอกนะเราพาวนาให้เห็นเลยว่ามันไม่คงที่เห็นไหมในวันหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้นะไม่ใช่ดูให้ดีถาวรหรอกเราไม่ได้เอาสิ่งที่ถาวรเพราะสิ่งที่ถาวรในโลกไม่มีเอาดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรถาวรไม่มีนะเอาให้เห็นเลยมีแต่ของไม่คงที่ดูอย่างนี้บ่อยๆ ดูไปจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาพระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้ท่านไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดีถาวร อ, อะไรหรอกนะงั้นเราดูไปด้ว่อยทุกอย่างเกิดแล้วดับไปดับไปอเชิญยกมือขออนุญาตเรียนถามนิดหนึ่งที่ <c oughs> ว่าความรู้สึกว่าความรู้สึกว่ารู้กายนี้ใช่การเพ่งหรือเปล่าคะถ้าเพ่งดูง่ายๆเลยถ้าเพ่งใจจะหนักจะหนักขึ้นมาเหมือนเรารู้ทั้งตัวแบบนี้ค่ะรู้ทั้งตัวแล้วจงใจรู้ไหมนขนาดนี้จงใจรู้ไหม ถ้าจงใจรู้นะใจมันจะทื่อๆใจมันจะทื่อๆแต่ถ้ารู้จริงๆนะใจจะโปร่งใจโปร่งลงเบาเลยรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่แปลว่าจ้องไว้ทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือรู้สึกตัวใจตื่นขึ้นมาใจแอบไปคิดใช่ไหมต้องถามไม่ใช่ไหมให้คอยรู้ทันมันนะเชิญยกมือขอบคุณค่ะสองรอย เอาเย่อยๆนะต้องต้องย่อๆหน่อยพวกเรายกมือเยอะเบอร์200อเชิญกลับไปเบอร์ห6สิบหเตรียมตัวเข้าเส้นสตาร์ท <c oughs> อ้าว่าไปเลย <c oughs> เอาคุณปลื้มนี่เองที่ผ่าน ม, ามันความเครียดแล้วก็โทสะมันหมุนวนอยู่ในจิตค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าหนูอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูทุกว่าสามเดือนที่ผ่านมากับ ปีที่แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าจิตมันรู้ทันความยินร้ายมากขึ้นถึกต้องค่ะแต่มันก็ไม่แน่ใจว่าหนูยังถูกทางอยู่ถูกสิน ะ, ะดูไปมันไม่เป็นกลาง<ะ>ใช่ไหมขั้นแรกหันรู้สภาวะพอรู้สภาวะแล้วก็รู้ทันจิตซึ่งมีปฏิกิริยาขึ้นมายินดียินร้ายขึ้น<ะ>ดี<ะ>ต่อไปเบอร์66ค่ะช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าพอจิตมันส่งออกนอกไปอยู่กับโลกมันจะดูเป็นจริงเป็นจังขนะึ้นมา พอตั้งมั่นมันจะตรงกันข้ า, ขามกัแล้วก็วันนี้ก็มีโมหะแล้วก็มีความพยายามจะทําให้มันดีไม่เป็นกลางปนอยู่ด้วยโมหะมีน้อยไม่เป็นไรมีนิดนิดหน่อยหน่ยไม่เป็นไรธรรมดารู้อย่างเป็นกลางนั่นแหละใช้ได้นะเราไม่ได้ภาวนาเอาดีนี่เห็นไหมเราภาวนาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่คงที่เนี่ยตั้งเป้าของการภาวนาให้ถูกนะเราทําวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่คงที่นะ ถ้าเรายอมรับได้ว่าทุกอย่างไม่คงที่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตไม่ค่อยทุกข์เท่าไหรล่ละถ้าเราต้องการสิ่งที่คงที่สิ่งที่ถาวรสุขถาวรดีถาวรในโลกไม่มีนะในโลกไม่มีเราอยากได้ของซึ่งไม่มีหายัางไงก็ไม่มีสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวใช่หไหมดีชั่วก็ชั่วคราวสงบฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวนเมื่อเราเรียนไปจนกระทั่งใจมันยอมรับทุกอย่างมันชั่วคราว ใ, ใจก็ไม่ค่อยทุกข์ละ ความสุขมานะเรารู้ว่าชั่วคราวเราก็ไม่หลงระเริงความทุกมาเราก็รู้ว่าชั่วคราวเราก็เไม่ทุรนทุรายเป็นกลางในทุกๆสภาวะได้<ม>ภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยหนะลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่าพ้นจากทุกทั้งปวงนี่งั้นเฝ้ารู้ไปจนเห็นทุกอย่างนั้นชั่วคราวห้ราร้อยแสนมัสการหลวงพ่อครับ ก็ปปฏิบัติมาเดือนมากว่านี่ไม่ ท, ม ท, ามทาราบว่าถูก า, างหรือครับถ้ามาเดือนกว่าเหร อ, อเออถูกทางต่อครับถูกสิไปทําต่อนะครับเราหลวงพ่อมีอะไรแนะนําต่อหรือเปล่าครับทำให้สม่ําเสมอนะอย่าทำทำหยุดหยุดนะดูไปทุกวันทุกวันภาคเพียรดูไปถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นะมานั่งสมาธิดูจิต ด, ดูใจของเราไปเวลานั่งสมาธิมันนั่งได้ไปนานมันจะปวด กลายเหมดเลยครับผมเหมือนจะทำเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้เหรครับนั่งเก้าอี้ก็ได้ครับคือทําไมต้องนั่งกับพื้นเพราะพระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียคนอินเดียเขานั่งพื้นอยู่แล้วครับถ้าท่านตรัสรู้ในยุโรปทัานคงพาเรานั่งเก้าอี้เบอร์สามขอบคุณมากครับแต่ใครรู้บ้างว่าเก้าอี้เป็นภาษาอะไรคำว่าเก้าอี้จีนนะนะการนมัสการหลวงพ่อว่าไปคือตอนนี้เหมือนกับ ผมยังยึดติดในเส้นทางแล้วก็เหมือนกับพยายามหาทางอยู่คือจริงๆแล้วทางไหนมันก็ดีเหมือนกันขึ้นอยู่ว่าจริตตัวเองหรือเปล่าครับใช่เราต้องถูกทางที่พระพุทธเจ้าบอกนะคือเผอิญว่ามีไปสนทน า, ากับหลายคนเขาพูดแต่พุทโธพุทโธแล้วเหมือนกับผมรู้สึกว่าพอผมฝึกแล้วกลายเป็นผมติดคําบริกรรมพุทโธไปเลยไม่มไม่เป็นไรติดพุทโธดีกว่าติดยาพุทโธแล้วอย่างงี้พุทโธแล้วรู้ทันจิต พุทโธเรารู้ทันจิตเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดไม่พุทโธผมก็ว่าผมก็เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะเห็นมันจะหลงบ่อยกว่ามันหลงบ่อยพุทโธไว้แหละดีพุทโธไปดีแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบนะพุทโธเรารู้ทันจิตตัวเนี้หลวงพ่อเคยเรียนจากครูบาอาจารย์เลยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเคยสอนนะพุทโธคืออะไรพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตเราเองจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองนะงั้นพุทโธเรารู้ทันจิตไปเรื่อยนั่นแหละถึงจะพุทโธจริง มีคนเตือนมาอีกว่าเหมือนกับผมเห็นแต่เจตสิกยังไม่เห็นจิตจริงๆคือคือจําเป็นต้องเห็นจิตจริงๆด้วยแหะครับผมรู้สึกว่ามันก็เห็นเป็นอะไรบางอย่างที่มารับรู้เจตสิกแค่นั้นเองคือจำเป็นต้องเห็นมันไม่ไม่ต้องไปคิดมากจิตเจตสิกนะไม่เห็นหรอกไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นจิตก็คือไม่ต้องคิดมากมีอะไรเกิดออรู้จจุบันไปนะเราจะไปเห็นจิตจริงๆเลยนะตอนที่มันพ้นจากความคิดไปเลย ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกว่าไม่เห็นตอนจะเกิดมรดุด้วยซ้ําไปนะคือจะเห็นจิตจริงๆจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรด์นะตอนนี้ยังไม่เห็นจิตจริงๆอกเห็นแต่จิตที่สเสวยอารมณ์เป็นคลาว์ๆไปก็เห็นจิตเกิดร่วมกับอารมณ์นะแล้วตอนนี้ผมตั้งมั่นหรือยังครับ จ, <c oughs> จิตอย่าง่ยงอางจิตกระจายออกนอกยังกระจายอยู่ดูออกไหมรู้รไหมมันเป็นออปช่วงๆไปกว้าง ๆ, ๆออกไป ร, รู้ตอนที่คุยกับหลวงพ่อครับอืคือแต่ตอนที่ไม่ได้คุย มันมันอาจจะเป็นตัวโมหะที่หลงว่าเออทาถูกแล้วอะไรเงี้ยรู้เอานะหัดรู้เอาก็รู้ไปนะเบอร์แปดสิบหนึ่ง ค, ครับอย่าไปกังวลเรื่องจิตเรื่องเจตสิกอะไรเลยนะค่อยรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วจะเห็นเลยทุกอย่างไหลามาไหลไปแต่เราไม่ไหลาตามมันไปทาตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆนะไอ้คนดูนะั่นแหละจิตแต่ถ้าอยู่ๆไปจ้องใส่คนดูแล้วก็ผิดละกลายเป็นเพ่งจิตเพ่งจิตไม่ได้นะเพ่งจิตเป็นสมถะอีก ค่ะลวงพ่อคะคือเมื่อเช้าเนี้ยมองอะไรไม่ออกเลยค่ะแต่พอมาอยู่ในที่เนี้ยมันรู้สึกรู้สึกตัวมากเลยค่ะรู้สึกหมุนมีอะไรหมุนติ้วในตัวมากเลยค่ะแล้วมันก็เหนื่อยเหนื่อยมากเหรอดูสบายๆดูไปอย่างสบายอย่าจงใจมากสิจงใจมากก็เหนื่อยแล้วมันยังไงถึงจะเดินปัญญาได้อะคะจะเดินปัญญาได้นะจิตต้องตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ก่อน สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสังเกตไหมของคุณไปหัดอย่างนี้นะนั่งหายใจไปแล้วเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูฝึกนี้ไปก่อนทําได้ไหมตัวนี้ยังไม่เคยได้ค่ะไปลองดูนะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเราฝึกนี้บ่อยๆนะค่ะเบอร์ร้อยมรสการหลวงพ่อค่ะ ตอนนี้ใจเต้นแรงมากก่อนหน้าที่จะพบคำสอนของหลวงพ่อนะคะเคยมีเหมือนจิตผู้รู้่ะแยกออกมาจากเวทนาตอนที่ไม่สบายเห็นเห็นได้ชัดเจนนะนะคะแต่ก็ผ่านมานานแล้วหลังจากนั้นก็ค้นหาหลวงพ่อพบทางอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นคำสอนเสร็จแล้วมันจะกลับมาอีกนะจะมาง่ายเลยต่อไปของมันเคยมาแล้วแล้วก็ได้เห็นความคิด ตลอดเวลาจนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในจนตรอกอะค่ะคือมีความคิด ย, ยังไม่เป็นกลางกับความจนตรอกยังหงุดหงิดลาคาญมันอยู่นะค่ะ<า>ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตัวนี้ไหมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่ง อ, อาบน้ําอาบน้ําถูสบู่อยู่แต่ไม่เห็นกายนะคะจิตอบอกบอกว่าสัพเพธรรมนารังอภินิเวาศญา ไม่เข้าใจว่าอะไรก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมหาคำแปลว่าหมายความว่าอะไรแต่คำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นแล้วก็จะข อ, อการบ้านหลวงพ่อค่ะไปปฏิบัติหนึ่งปีเดี๋ยวปีหน้ามาส่งค่ะไม่ดูอย่างใจเย็นๆนะไม่รีบร้อนแต่ไม่ขี้เกียจ ด, ดูไปเรื่อยเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงาน <Hawaii> แต่ถ้าเรารีบร้อนนะไม่ได้ผลเลยถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้ผล เพราะว่าอยู่ไกลนะคะหลวงพ่อปีหน้าถึงจะได้มีโอกาสมาส่งค่ะโอไม่เป็นไรเอากายเอาใจของเรานี่แหละเป็นครูนะมีสติมีสมาธิมีใจตั้งมั่นเป็นเครื่องมือเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราไปเราจะเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักทั้งวันทั้งคืนเนี่ยดูไปดูไปจิตฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําความสงบเข้ามานะหัดทําความสงบเช่นอ่านหนังสือธรรมะประวัติพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ย ประวัติครูบาอาจารย์อ่านแล้วจิตใจสงบจิตใจดีฮึกเขิมมีเรี่ยวมีแรงนะถ้าทำสมถะได้ประนีตวันนั้นก็ทำพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ย น, นะให้ใจสงบพอใจสงบแล้วไม่สงบเฉยออกมาเดินปัญญามาดูกายทำงานดูใจทำงานต่อนะสลับกันไปนะเดินปัญญารวดเดียวไม่ได้นะแรงไม่พอเบอร์8ปสบใครง่วงบ้างใครง่วงบ้าง นี่ต้องถามหน่อยเพราะท่าทางจะหลับแล้วพอไม่เล่านิทานก็ง่วงใครรู้จักพญานาคบ้างเหรอเจอกันที่ไหนอ่ะครานี้มีคนยกมือรู้จักพญานาค <c oughs> อ้าวเชิญนวัสการ์ค่ะหลวงพ่อคขาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าพอหนูรู้สึกตัวแล้วจิตหนูจะเออเ อ, อะคะ่ะ ไม่ทราบว่าหนูรู้สึกถูกหรือเปล่าว่าตอนนี้มันไม่ค่อยเออแล้วใช่ดูหออกไม่ที่หลวงพ่อบอกว่าเออเออตอนตอนที่หลวงพ่อบอกถึงจะทราบค่ะก่อนนั้นนั้นไม่ทราบแล้วก็ตอนนี้ไม่ทราบหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าจิตมันเหมือนดิ้นน้อยลงอะค่ะใช่เพราะว่าคราวที่หนูตั้งใจทําเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเออแต่ตอนที่หนูไม่ตั้งใจทำเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าดีอะคะ่ะมันก็เลยไม่รู้จริงมันไม่คําว่าตั้งใจนี่เป็นคําที่เพาะไปจริงๆคือโลภนะ ใช่หไหมตอนที่หนูโลภหลวงพ่อว่าไม่ดีตอนนี้หนูไม่โลภหนูมีสติรู้กายรู้ใจไปธรรมดาหลวงพ่อว่าดีนะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่ออยู่แล้วหนูก็เหมือนกับเห็นเกิดดับครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันเป็นคลื่นของปรากฏการณ์นะมันก็กลับเข้ามาค่ะก็หลังจากนั้นเหมือนจะตั้งใจเห็น อ, อตั้งใจเห็นจะไม่เห็นแล้วก็มีช่วงนี้หนูจะรู้สึกว่ามีบางช่วงที่จิตมันว่างๆอะคะ่ะ มันคืออะไรอะคะว่างๆก็รู้ไปเวลาที่เราเดินปัญญานะจิตจะพลิกไปเป็นสมถะเป็นช่วงๆเป็นทุกคนแหละปกติแสดงว่าหนูทำได้ถูกทางแล้วนะใช่แล้วใครฝึกอีกตัวหนึ่งนะสังเกตจิตของเราตั้งมั่นถึงฐานดีไหมหรือจิตเรากระจายออกข้างนอกนะดูดูออก<ะ>ไหมตอนนี้ขณะนี้ถึงนนถึงฐานไหมหนูเข้าใจว่า มันไม่ถึงดีแต่ก็ไม่กระจายมากใช่ใช่ตบถูกแล้วใช้ได้ร้อยส <140. S 2> ี่สิบนูวนอยู่ข้างหลังร้0ยสี่สิบอย่าถามยากนัก น, นะเมื่ร้อยสี่สิบถามง่ายๆหน่อยพระอาจารย์ครับก็ฝึกมาสักพักหนึ่งครับแล้วก็ตอนฝึกหลือกลรู้สึกว่ามันกายมันไม่ใช่ของเราแยกออกดีครับ สําคัญนะสําคัญมากเลยหัดแยกออกไปเห็นกายไม่ใช่เรานะเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเลยในการแยกรูปธรรมานามาทำออกไปเห็นไหมจิตเป็นคนไปรู้มันใช่ครัต่อไปเราก็แยกต่อความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราครับอันนี้แยกได้ยังยังครับตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเฉยไปหมดมันไม่ยินดีไหลเฉยนั่นเพราะติดเพง่งตอนนี้เพ่งหรือเปล่าครับใช่ใช่ถ้าเพ่งนะจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วนิ่งๆไปอย่าไปประคองอย่าไปบังคับนะ ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วก็ไม่รักษาจิตไว้กระทบแล้วจิตก็กระเทือนขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาเรามีสติตามรู้มันไปนะ้ําจะมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูแต่ถ้าเราประครองใจเวลาตามองเห็นหูได้ยินเสียงใจก็เฉยหมดเลยอย่างนั้นไม่ดีนะแต่ว่าตอนที่ประครองก็เราไม่รู้ว่ามันประครองอยู่ใช่สินะแต่เราสังเกตได้ง่ายๆถ้าใจเรามีน้ําหนักนะ หรือมันนิ่งผิดปกติขึ้นมาในประคองแล้วล่ะตอนนี้ประคองไหมครับหลวงพอ่อประคองนะอย่างนี้ดูไม่ออกครับนะประคองไว้นิดนึงนะรู้สึกไหมว่ามันมีส่วนที่เคลื่อนไหวแต่มันมีส่วนที่คงที่รู้สึกครับนะส่วนที่คงที่นั่นแหละเกิดจากการประคองอยู่อตรงนี้เองก็เรียกว่าจิตไม่ถึงฐานใช่ไหมครับตรงนี้เรียกว่าเพ่งอยู่นะเพ่งอยู่เพ่งอยู่อจิตไม่ถึงฐานอี ก, อ, กอีกแบบหนึงนะั่นจะกระจายออกข้างนอกไป กว้างๆสบายปล่งร่องเบาของคุณตอนนี้ไม่ปล่งล่องเบามีตัวนิ่งๆทื่อๆ อ, อยู่ตัวใช่ครับหลวงพ่อเออปล่อยตัวนี้ซะอย่า ก, กลัวหลงอย่า ก, กลัวหลงกลัวหลงก็รักษาตัวนี้ไว้ตลอดแล้วปล่อยนี้ต้องทํำยังไงอะครับหลวงพ่อทําไม่รู้ไม่ชี้ <laughs> <laughs> <laughs> กระทบอารมณ์ไปหลวงพ่อมีคําถามมีคําถามหนึ่งอะครับเอตอตอนนั่งสมาธิอะครับที่หลวงพ่อสอนว่าให้แยกรูปแยกนามอะครับ อ, อันนี้พอนั่งสมาธิแล้วเหมือนกับว่ามันบางครั้งมันก็แยกได้เหมือนกับมันอยู่ข้างๆจิตมันอยู่ข้างๆแล้วกายมันนั่งหายใจไป อ, อจิตเป็นแค่คนดูนะไม่ใช่แยกแบบเอาจิตออกไปนอกร่างนะไม่จําเป็นนะไม่ใช่ว่าถอดจิตออกจากร่างนะนั่นเป็นอีแบบหนึ่งก็จิตเราก็อยู่ธรรมดาเนี่ยแต่มันมีความรู้สึกว่ามันห่างห่างออกจากกายเป็นความรู้สึกเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่ข้างซ้ายข้างขวาเลยเหรอก อ, อ๋ อ, อแสดงว่าความรู้สึกตอนนี้ของผมยังไม่ถูกต้อง ความรู้สึกนั้นเกิดจากสมาธินะสมาธิแล้วพอเราจงใจแยกนะจิตมันออกจากกายได้จริงๆริงแสดงว่าแต่ความมา ค, คือจงใจแยกใช่ไหมครับผมใช่ของคุณสมาธิมันนําหน้าไปนะสมาธิมันแรงรสมาธิแรงไม่ใช่ไปให้อ่อนลงนะก็จะเจริญสติรู้เท่าทันสภาวะไปเรื่อยนะแล้วไม่กดจิตให้นิ่งนะเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ถ้าเรากดจิตให้นิ่งปัญญาจะไม่เกิดจะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเลยองั้นเราไม่ไปกดจิตไว้นะถ้ากดไว้มันจะมีนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอืมก็รู้สึกตอนแรกฝึกตอนแรกไม่รู้สึกอย่างนี้ครับแต่ฝึกมาเรื่อยๆรู้สึกว่ามันมันจะทืๆแล้วก็ ม, มันจะนิ่งๆใช่มันไปติดตัวรู้ละอ๋อนะลหลวงพ่อมีการบ้านให้ผมไหมครับสมถะเราก็ไม่ทิ้งนะครับแต่พอใจนิ่งๆทื่อๆเรารู้ทันไหม<อ>มันจะคลายออก ร้อยครับหลวงพอ่อร3 5สาครับนำ้ำมการหลวงพ่อครับคือผมก็ฝึกปฏิบัติอ่านฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ89เเดือนซึ่งก็ผมฟังครั้งแรกผมก็รู้สึกตื่นขึ้นมาที่หลวงพ่อพาดูสภาวะต่างๆทีนี้ผมก็ลองมามาฝึกหัดตามที่หลวงพ่อสอนแล้วก็นั่งสมาธิ อวันละสองครั้งตอนตอนบ่ายกับตอนก่อนนอนโอ้ดีแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมก็นั่งสมาธิไปตามปกติตอนก่อนนอนก่อนเที่ยงคืนอ mm hmm. ก็จิตมันมันฟุ้งซ่านผมก็ตามดูมันฟุ้งซ่านบางครั้งมันก็กลับมาตามตามวิหารธรรมที่ผมใช้อยู่ก็คือพุทโธอ mm hmm. ตอนท้ายๆของ ครื่งชั่วโมงที่ที่จะนั่งเป็นประจำก็พบว่ามันเหมือนกับเราอยู่ในที่ในโรงหนังที่ดูหนังอยู่ดีๆแล้วมันมันดับพลึบไปครับ <c oughs> ผมก็สักเสี้ยววินาทีหนึ่งก็ตกใจจิตมันตกใจขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> และอีกสักสองสามวินาทีก็จะรู้สึกตัวว่ามีกายตามมา <c oughs> ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นสมถะหรือเป็นอะไรครับหลวงพ่อครับขอหลวงพ่อช่วยจิตมันรวมนะ มันรวมลงไปแล้วก็โลกธาตุดับไปหมดเลยแต่ตอนที่โลกธาตุดับเนี่ยความรู้สึกตัวดับด้วยไหมมันมันความรู้สึกตัวมันมันเสี้ยววินาทีหนึ่งมันหายไปครับตรงมันดับให้ดูนะครับอนี่พอถอยขึ้นมาเนี่ยมันกระทบอารมณ์แล้วมีกายขึ้นมาใช่ครับแต่ยังไม่มีความคิดยังครับแล้วต่อมาก็เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาอีกทีใช่มันตกใจครับค่อยๆรู้สึกขึ้นมา นะก็กลับมามีขันต่อใช่ครับนะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยจิตเราได้เห็นความจริงแล้วว่าขันทั้งหมดเกิดเราดับได้นะครับดีแล้วฝึกบ่อยๆแล้วผมเดินมาถูกทางหรือเปล่าครับถูก<อ>ถูกแต่ถ้าเขาเกิดก็ให้เขาเกิด น, นะถ้าเขาไม่เกิดอย่าไปใฝ่หามันมันจะไม่เกิดครับถ้าเราต้องการให้เกิดมันจะไม่เกิดอนะ่ะ บ, บางคนน้ำรวมพลึบลงไปแล้วขึ้นมามันตัดเลยนะอนะของคุณไม่มันไม่ตัดมันไปตกใจซะก่อนครับ เพราะว่าเพิ่งปฏิบัติก็เพิ่ง <c oughs> เพิ่งพบสภาวะแบบนี้ก็ไม่เข้าใจมันนะครับจิตมันรวมลงไปนะมันดับจิตมันลงพวางไปเลย อ, อมันดับความรับรู้ทั้งหมดเลยนี่มันดับไปกระทั่งสติแต่เวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้นะสติยังอยู่สมาธิปัญญายัางอยู่นะครับอันนี้มันดับไปหมดเลยแล้วเราผมควรจะปฏิบัติยังไงต่อครับหลวงพ่อทองยมทําที่อย่างที่ทํานี่แหละดีแล้วนะครับผมขอบคุณทําไปเรื่อยๆ ร้อยบขอบคุณครับอยู่ข้างหลังนู้นเลยร้อยสาแล้วต่อไป83แล้วต่อไปร้อยหกสนกสการหลวงพ่อค่ะก็กลัวหลวงพ่อแล้วก็กลัวว่าตัวเราจะหายไปด้วยค่ะกลัวอะไรนะช่วยช่วยให้หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนด้วยค่ะกลัวหลวงพ่อค่ะคลแล้วก็กลัวตัวเองหายไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะหายไปไหนอะ <laughs> อก็เวลามองไปที่ทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยจะเห็นว่าเอ๊ะตัวเรากายกับใจมันไม่แบบมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงแล้วมันก็บังคับไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถูกแล้วนี่อย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะดูไปแล้ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอฮะแต่อย่าไปดูแต่ทุ่งหญ้านะเราเห็นข้างนอกก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายจิตใจเรากับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ก็อันเดียวกันแหละบ้านเดียไม่มีตัวมีตนอะไรหรอก หรือว่าร่างกายหายไปเลยไม่ค่ะแต่เคยหายไปเมื่อสองปีที่แล้ว่็เคยเห็นว่าตัวเราเป็นแค่แค่ก้อนธาตุอะไรนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีที่สุดเลยนะอย่างนั้นล่ะมีปัญญาแต่ปัญญาไม่เกิดทุกวันนะแต่ใช่เ่ะแล้วพอนานนานเกิดทีหนึ่งแล้วเราก็เห็นว่าตัวเราเป็นแค่ก้อนธาตุแบบแล้วกายกับใจมันก็อยู่ห่างๆเราถูกต้องเลยไปทําอีกนะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอคะเออทำไปเรืแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านก็ทําความสงบไว้นะคฮะมันฟุ้งไปหน่อยจะเพรว่ากลัวมากทำยังไงให้หายความกลัวแบบมีความกลัไม่ได้ต้องรู้ไปจิตมันกลัวจิตก็เป็นอนัตตาความกลัวก็เป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้ก็แค่รู้ไปจิตเมื่อกี้ไม่กลัวตอนนี้กลัวเนี่ยตอนนี้กลัวน้อยลงเห็นไหมใช่เนี่ยดูเปลงเงี้ยมันมีแต่ของไม่คงที่83ขอบคุณมากค่ะ อยู่ไหน ơi? เอ่ยนั่งเก้าอี้นี่แปดสิบสามกราบหลวงพ่อค่ะคือที่ไปกราบหลวงพ่อครั้งแรกนะคะแล้วแนะนําว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดูนี่หลวงพ่อถามบอกว่ า, าจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวหรือว่าจะตามหลวงปู่ดูไปนะคะก็เลยสงสัยว่าถ้าตามหลวงปู่ดูไปนี่ไปไหนอะคะฮะ <laughs> เออเป็นลูกศิษย์หลวงปูด่ดูบางคนบอกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์อะ แต่หลวงพ่อไม่เคยเจอท่านนะไม่ทราบไม่เคยถามท่านว่าท่านเป็นโพธิสัตว์หรือเปล่าแต่เคยอ่านหนังสือท่านชอบชอ บ, ชอบนะนี่เป็นพระที่มีสติมีปัญญามากเลยมีเมตตา ม, มากธรรมะของท่านนั้นฉลาดแหลมคมมากเลยหลวงพ่อแล้วพอไปอ่านธรรมะท่านแล้วรู้สึกเสียดายไม่ได้เจอท่านค่ะแล้วก็ที่มากราบหลวงพ่อครั้งต่อไปเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเออทางโยมเนี่ยติดเพ่งอะคะอ่ะนี่ก็เลยกลับไปลองสังเกตคือเวลานั่งสมาธิก็ เออเราเพ่งแล้วนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดนั่งพอลองจะสังเกตอะไรก็จะรู้เออนี่เพ่งแล้วนาก็จะปล่อยไปก็จะรู้สึกช่วงหลังนี้ก็จะสบายสบายอะไรย่างเงี้ยค่ะเรายมเห็นไหมพอเราไม่เพ่งนั้นเราจะเห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับเนี่เราเดินปัญญาได้ถ้าเพ่งอยู่ไม่เดินปัญญาคก็นิ่งอยู่อย่านั้กี่ปีก็นิ่งอยู่หลวงพ่อนิ่งอยู่22ปีเนี่ยเสียเวลาทีนี้บางบางบางครั้งที่แบบรู้รู้สึกว่าตัวเองคิดอะค่ะบางทีถ้าหลับตาอยู่เนี่ย มันจะรู้สึกเหมือนกับอมันมีอะไรเคลื่อนไหวแต่มันก็คือมันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่รู้นะแค่รู้กระบวนการทํางานของมันเป็นอย่างนั้นหละค่ะงั้นรบกวนขอการบ้านจากหลวงพ่อค่ะตกลงจะเป็นพระโพธิสัตว์ไหมล่ะอยากไปให้เร็วที่สุดอ๋อถ้างั้นก็ไม่ได้เป็นหลวโพธิสัตว์อยากไปให้เร็วที่สุดนะทําความสงบเข้ามา แล้วไม่บังคับจิตให้นิ่งคงที่อยู่เฉยเฉยพอจิตสงบพอสมควรแล้วนะออกมาดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานเรื่อยไปจเจริญปัญญาไปนะพอจิตจเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งมันชักจะฟุ้งดูไม่รู้เรื่องแล้วกลับมาทําความสงบอีกเดินอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะนะอย่างนี้เร็วที่สุดละต่อไปเบอร์ร้อยหกหลวงพ่ออยากเสียดายเลยแม่ไม่ได้เจอหลวงปู่ดู่อนมัตสการค่ะหลวงพ่อทร ง, งกันบ้านครั้งแรกค่ะ คือรู้สึกว่าหลังจากที่เริ่มดูสติดูจิตมาเนี่ยคะ่ะก็รู้สึกว่าจะมีผลได้<ม>เร็วแล้วก็แคลแล้วก็คือรู้สึกว่าอารมณ์ที่ห ย, ยาบหยาบเนี่ยจะมองเห็นเร็ว mm. พอเริ่มพเริ่มดูจิตเนี่ยก็จะเห็นเลยเลยอย่างอารมณ์โกรธหรือ mm hmm. โลภที่ปกติวันๆเราเห็นเนี่ยก็จะเห็นเร็ว mm. แต่พอหลังจากที่ผ่านตรงนั้นไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า ไม่นติดอยู่ที่อารมณ์ละเอียดเนี่ยเพราะว่าพอเราเกิดอารมณ์หยาบตอนนี้เราเห็นหมดแล้วมันก็ตัดไปแล้วก็เลยตอนนี้เป็นเหมือนว่าบางทีก็ว่างๆไม่ค่อยเห็นไม่ชัดเพราะว่าทุกอย่างมันละเอียดมันไปซ่อนเนี่ยพอละเอียดนะดูไม่ได้ละดูไม่ออกละดูกาไปเห็นกายพยักหน้าเห็นกายยืนเดินนั่งนอนไปแล้วแฟมีอารมณ์แรงขึ้นมาก็เห็นจิตที่ทํางานขึ้นมาอีก ค่ะแล้วคือว่าถ้าเกิดเราสติเราเร็วขึ้นเรื่อยๆนี่เราก็จะลงไปเห็นอารมณ์ละเอียดตรงนั้นใช่ไหมคะใช่คือมันอยู่ที่แเราฝึกบ่อยๆเราก็จะเห็นตรงนั้นเองใช่ใเพราะบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนจะเห็นจะเห็นแต่ว่าเหมือนเขาไม่ยอมออกมาให้เห็นเหมือนเป็นตุ่มตุ่มอยู่ไม่ยอมไม่ไนั้นจงใจไปดูมากไปมันเลยเหนี่ยมไม่ปลู่ขึ้นมาค่ะหลวงพ่อถึงบอกมาดูกายไว้ก่อนเห็นกายเคลื่อนไหวนะตัวนั้นมันไม่ได้เหนี่ยมเราไม่ได้จ้องอเดี๋ยวก็ปรุ่งอยงนี้ แล้วหลวงพ่อถ้ารู้สึกว่าบางทีจะถูกจริตกับการท ำ, ทำธรรมานุปัสสนาคะ่ะคือพิจารณาธรรมคราวนี้ไม่ใช่หลวงพ่อช่วยแนะนําว่าวิธีทำที่ถูกต้องโดยที่ไม่ใช่ว่าเราคิดไปเองอย่างเงี้ยคะ่ะคือธรรมานุปนะัสสนาต้องเห็นกระบวนการทํางานของมันเห็นเหตุเห็นผลของมันด้วยอย่างถ้าเราทําจิตตานุปัสสนาเนี่ยจิตมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสแค่นี้ก็ใช้ได้และนะถ้าถึงขั้นธรรมานุปัสสนาเรารู้เลยกิเลสแต่ละตัวมาอย่างไง นิวรณตัวนี้เกิดได้ยังไงนิวรณไม่เกิดได้ยังไงจะรู้รู้กระบวนการทำงานของขันของธาตนะุขันแต่ละขันถ้าทำหน้าที่ของเขาไม่ก้าวกา่กันถ้าก้าวก่า ก, ากันเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อ น, นั้นหรือเห็นปฏิจจสมุปบาทนะเห็นกระบวนการทำงานหรือเห็นวิถีของจิตที่ขึ้นมาทำงานมันจะดูกระบวนการมากกว่า นั่นแต่คือการเป็นการรู้เองโดยปัญญาใช่ไหมคะไม่ใช่การคิดเอาใช่ไหมคะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นมันจะเห็นกระบวนการนะเช่นตามองเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นในในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยจิตเป็นกลางๆไม่มีอะไรต่อมาพอตามองเห็นแล้วมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเราเห็นการส่งสัญญาณมาที่ใจพอส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วเราเห็นว่าใจมีการคิดขึ้นมาอาศัยสัญญาไปวินิจฉัยว่า สัญญาณอันนี้คืออะไรถัดจากนั้นมีการให้ค่าว่าดีไม่ดีถัดจากนั้นจงเกิดสุ ข, สขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมานะจะเห็นกระบวนของมันกระบวนการเห็นะเองอะ่ะแล้วพอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่พอเห็นเนี่ยเราจะรู้เลยนะว่าไม่มีเราในกระบวนการนั้นเลยมีแต่การทำงานสืบเนื่องกันไปของรูปธรรมนามธาทำเหมือนลูกโซ่ที่เคลื่อนไหวสืบเนื่องกันไปไม่มีเราค่ะธมานุภัสนาทายากนะ แต่ถ้าเราคิดพิจารณาธรรมะไม่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาเรียกว่าธรรมานุสติเป็นสมถอะอ่ะต่อไปเชิญข้างหน้ามีเวลาไม่มากนักเอ้าสิบเชิญต่อไปร1 8เตรียมตัวกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้หนูเห็นความฟุ้งซ่านเยอะอะค่ะ แล้วก็เห็นจิตมันคิดเองแล้วก็บังคับให้มันหยุดไม่ได้ค่ะดีไปดูอีกมีปัญหาอะไรยังไม่ ม, มีปัญหาอะไรไมคะนะแต่ก็คอยดูใจนะบางทีรู้ๆไปแล้วใจมันกระจายไปเราก็รู้นะให้จิตใจมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไปครับพระอาจารย์นรัระการครับก็ผมจะ เห็นสติมันเกิดได้เองเนืองๆครับอาจารย์แต่ว่ายังไม่เป็นกลางนะฮะแล้วก็ลงไม่คิดต่อครับนี่มีอะไรที่ควรจะทำหรืออะไรที่ควรจะละเพิ่มเติมไหมครับเราค่อยสังเกตจิตนะจิตเราตั้งมั่นพอไหมนะขณะนี้ตั้งมั่นไหมถึงฐานไหมไม่ค่อยครับเออถ้ารู้ฐานใช้ได้ละ2คนใช้ได้นะทั้ง2คนเลยดีไปทําบ่อยๆต่อไปเบอร์24 24อยู่ทางนี้แล้วต่อไปเบอร์75 นี่ลกูกศิษย์เก่าตรวจกันบ้านได้เร็วดีกล่านมรดกการหลวงพ่อค่ะเออเมื่อประมาณต้นอาทิตย์นะคะเพอินว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาหนูเห็นหนูหนูตามรู้เนี่ยนะคะเออจิตมันก็จะเข้าไปเหมือนกับเข้าไปแทรกแซงเหมือนกับเข้าไปเข้าไปคันให้มันรู้อะคะ่ะแล้วก็มันก็เกิดทุกข์แล้วก็พอพอเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเออจิตก็ไม่ค่อยอยากดูแต่ว่าเหมือนกับ มันก็มันก็อดดูไม่ได้อะฮะรู้สังนะเกตไหมพอมันมีความอยากนะกระทั่งอยากดูอย่างทุกเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็ความอยากเป็นสมูทัยอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มีบางทีก็ก็เห็นก็ว่างไปเลยก็สบายขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นสลับไปสลับมามจนกระทั่งเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ฟังฟังซีดีของพ่อในรถน่นนะคะจริงๆเราก็ฟังซีดีเดิมๆอะฮะแต่ว่ า, าได้ยินประโยคหนึ่งที่ว่ า, าตามดู ตามดูเฉยๆอะค่ะเนี้ยพอพอได้ยินประโยคนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าประโยคนั้นเข้ามาที่ใจแล้วก็ถอนออกมาเป็นผู้ตามดูเฉยๆทีนี้แม้ก็ทั้งว่าสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ว่างเนี่ยเหมือนกับว่าถูกดูอยู่ตั้งหา<ช>นะคะเราไม่เอาว่างเป็นที่พื้นที่อาศัยหรอกมันของไม่เที่ยงแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยที่ที่ขับรถมานี่เนี่ยนะคะเอ่อมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่ารู้สึกเหมือนกับมามีความทุก ทุกๆเป็นก้อนๆเกิดขึ้นอยู่ด้านล่างอะฮะแล้วก็เห็นอยู่ต่เมืนกับว่าเข้าไปออมีความไม่เป็นกลางอยู่บ้างสลับกับความเป็นกลางองี้ค่ะแล้วก็สักพักนึงเนี่ยก็เห็นเห็นโปร่ปงๆโลง่ลงๆอะฮะถ้าเกิดเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยได้ไหมคะหลวงพ่อได้นะคะเพราะว่าดูอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่เกิดการบีบคนะั้นนะคะอย่ไปบีบคั้นนะดูทำตัวเป็นแค่คนดูขอบพระคุณค่ะต่อไปเบอร์75 ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะออไม่ได้ส่งมาพักหนึ่งแล้วค่ะหลวงพ่อทีนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าใจของเราเนี่ยทิ้งเรื่องทุกๆต่างๆได้เร็วขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่มีสัทีเดียวก็เข้ามาเห็นกิเลสต่างๆ <c oughs> ที่เปลี่ยนไปจากเดิมอื <c oughs> อย่างช่วงหลังๆเนี่ยมันเหมือนเรากลัวความแก่เท่าอ <c oughs> มันก็เมื่อก่อนไม่เคยกลัวเมื่อก่อนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เรารู้สึกเราเริ่มกลัว คือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราประมาทเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้คิดว่าน่าสงกันบ้านดูดูว่าเราติดขัดตรงไหนเราไม่รู้ตัวไหมก็หันรู้ไปเรื่อยน ะ, ะดูทุกอย่างนะทุกอย่างไม่คงที่ดูออกไหมทุกอย่างไหลามาไหลไปเห็นไม่ชัดนะคะถ้าถ้าดูจิตไม่ชัดก็เห็นร่างกายไปะนะะ เห็นร่างกายพยักหน้าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราดูไปอย่างนี้เห็นเห็นหยาบหยาบอย่างนั้นไปได้ใช่ไหมคะได้หยาบหรือละเอียดไม่ไม่ได้มีความต่างนะบางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมต้องเห็นของละเอียดถึงจะบรรลุมรรคผลไม่ใช่ของหยาบหรือของละเอียดแสดงใจรักเท่าๆกันเห็นใจรักนะฮะที่จะบรรลุนะค่ะขอพระคุณค่ะสีบสามบสการหลวงพ่อนะครับ ส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็ที่ผ่านมาผมก็ฟังจีดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามรู้ตามดูมานะครับ mm hmm. ทีนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยผมเริ่มเห็นตัวเองบ่อยขึ้นนะครับจากการที่เราหลงไปคิดแล้วก็มีตัวเองผุดขึ้นมานะครับ mm hmm. แล้วก็เปัญหาที่ผมเจอหลังๆนี่ก็คือว่าเวลาเราตามรู้ปุ๊บเนี่ยพอรู้ปุ๊บมันจะลงล็อกคือเพ่งทันที mm hmm. นะครับแล้ว ก, ก็ก็เลยติดอยู่ตรงนั้นปกตบางทีก็ปวดศีรษะเลยนะครับ ก็ก็เลยจะกลับเรียนหลวงพ่อว่าเออที่ปฏิบัติหมานี่มันพอพอจะใช้ได้ใช่ไหมครับ่ได้นะปกติเลยแหละครับผมนะปกติของคนที่ไม่เคยภาวนาะจะหลงอย่างเดียวเลยพอมาหัภาวนาใหม่ๆนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ครับต่อมาเนี่ยกลัวจะหลงนะอพอพอหลงไปปุ๊บพอรู้ปั๊บเพ่งปั๊บเลยกลัวจะไปอีกอย่าไปรักษามันครับผมแต่ว่าห้ามไม่ได้หรอก ครับผมนะมันจะเพ่งเพ่งเราก็รู้เอาแล้วมันจะค่อยๆคลายครับผมนะแล้วควรจะปรับปรุงตรงไหนไหมครับทำสม่าเสมอนะที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วขอบคุณครับหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเชิญหลวงพ่อหนูก็รู้ตัวบ่อยขึ้นนะคะแต่ทีนี้ช่วงหลังๆรู้สึกว่ามันมันส่งออกทางตาบ่อยมากค่ะอืมดีตาไม่บอดนะจะมันกลัวกลัวอะไรอืม มันไหลไปทางตาเราก็รู้นะมันไหลไปทางไหนเราก็รู้อย่าไปกลัวมันมีตาต้องเห็นรูปดีแล้วที่เห็นแต่พอคนส่วนใหญ่พอมันเห็นรูปนะจิตมันหลงไปของเราจิตหลงไปเรารู้ว่าจิตหลงไปทางตาแค่นี้ได้คะแนนแล้วดีแล้วถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วอไปห้ามมันนะเพไมะงั้นคนตา บ, บอดบรรลุ ก, ก่อนเราไม่ใช่หรอกอต่อไปเบอร์ยี่สิบสาม กลาวธรรมสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะมีคำถามจะถามว่าถ้าการที่เราดูทั้งกายเวทนาและจิตคือคือดูต่อเนื่องกันนะคะทีนี้หนูไปฟังเทปซีดีมีอยู่ช่วงนี้หลวงพ่อบอกว่าถ้าดูแล้วมันจะมันกับจับจดนะคะไอ้นั่นหัดใหม่ๆการหัดใหม่ๆ น, นะหาเครื่องอยู่เป็นมิหารธรรมไว้อันนึงให้ชํานาญ ชำนาญได้อันหนึ่งรู้ได้ชัดอันหนึ่งอันอืนอนอ่นก็ชัดขึ้นมาด้วยต่อไปพอสติสมาธิอะไรอัตโนมัตินะไม่มีแล้วว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนเดี๋ยวก็รู้วันนั้นอันนี้แต่ทุกอันสดแสดงใจรักเหมือนกันหมดเลย <c oughs> นะงั้เบื้องต้นนอาอันเดียว <c oughs> ตอนนี้หนูรู้สึกหนูไม่ค่อยทุกข์อะค่ะก็ะเลยทำจะจ ะ, จะกลาวเป็นฐานเพราะว่าหนูไปติดอะไรหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เราดูออกไหมจิตคงที่ไหมมีความสุขคงที่หรือไง แต่รู้ตัวด้วยค่ะในความในกัดที่มีความสุขเราก็มีความรู้ตัวด้วยไม่หลวงพ่อถามว่าความสุขนั้นคงที่ไหมไม่ค่ะอยังมีเฉยเฉยได้ใช่ไหมหรือว่าสุขไปด้วยก็แบบยังมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูไหมมีครับตราใดที่ยังมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูยังใช้ได้แต่ถ้าแม้มันสุขคงที่ทั้งวันทั้งคืนมีแต่สุขอยู่นั้นนั้นใช้ไม่ได้ล้วคือว่าเวลาเราไปสัมพันธ์กับคนอื่นสัมผัสสัมพันธ์คนอื่นเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยเราเรามักจะแบบ ขัดใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี Left ้ร right? so re ู right? hey, ้สึกว่าเราเข้าใจเขาเงี้ยเขารู้สึกว่ามันกับเราเข้าใจแล้วเราก็รู้ตัวพร้อมอดีนะแล้วก็เราก็รู้ทันอีกเราภูมิใจไหมเราเข้าใจเขาแล้วอะไรเงี้ยกิเลสมันก็พลิกตัวมาให้ดูอีกอย่างนะกูเก่งแล้วตอนเนี้ยนะเนี่ยเราครรู้ทันไปเลยกิเลสนะมันเก่งนะพลิกแปลงซับซ้อนตแต่แต่หนูก็พยายามดูนะคะว่ามีตัวเราขึ้นมาด้วยหรือเปล่าคือจะดูพร้อมกันเลยว่าเอ๊ะเรามีแต่ถ้าจงใจดูมันจะไม่ขึ้นมา มันชอบเล่นทีเผลอนะกิเลสอะอะร้อยสามสิบหกลวงพ่อครับคือจิตของผมเนี่ยมันช่วงหลังๆเนี่ยมันจะชอบเข้ามาเ ก, กาะกับลมหายใจครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าไปทำปถูกแล้วจิตก็ต้องเกาะลมที่ใจไปเก่อที่อื่นได้ไงไม่มันมันเ ก, ก า, าะรกระลมหายใจครับก่อหรือเกาะเกาะเกาะเกาะกับลมอ๋อบกาะลมหายใจครับอ๋อ แล้วเวลาเกิดสภาวะอย่างนี้มันจะมันจะอึดอัดมากเลยครับอตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าไปทําอะไรผิดหรือเปล่าทีนี้พอตามดูไปเรื่อยเรืยรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากการที่จิตมันฟุ้งซ่านไปแล้วมันรู้ไม่ทันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเอาไปดูต่อสิภาวนา ม, มานะค่อยสังเกตเอาครับผมจิตไปเกาะลมหายใจก็รู้เนี่ย ไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้ก็แค่รู้ว่ามันเป็นเกาะนะครับแล้วจิตคลายออกจากลมหายใจก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคราวก่อนที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าจิตมันถลำลงไปถลำลงไปดูใช่ไหมครับผมก็กลับไปดูก็รู้สึกว่ามันมันรู้ทันสภาวะตรงนั้นมากขึ้นแต่ว่าคือสังเกตไปเนี่ยคือเหมืนอนกับว่ามันจะคอยจะไหลลงไปอยู่เรื่อยๆครับเป็นเคยชิน <c oughs> นะมันไหลลงไปแล้วรู้ไม่ห้ามมันหรอกจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตา <c oughs> ไม่ฝึกห้ามมันกลัวมันบางทีมันไปประคองเออนั่นแหละเพราะกลัวก็เลยเข้าไปแทรกแซง <c oughs> นะขอบคุณมากครับเบอร์ร้อยสี่สิบหนึ่งแล้วเตรียมตัวเบอร์สิบแปดเตรียมตัวได้จบแล้วที่เหลือเตรียมตัวกับบ้านงารของพ่อครับเจ็ดเดือนก่อนผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อยังไม่เห็นอยู่ไหน เจ็ดเดือนก่อนผมมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าผมติดอยู่ในความฝันความคิดครับผมก็ไปสังเกตดูแล้วมันเวลานี้มันก็ฝันอยู่เหมือนเดิมแต่มันรู้สึกว่าจะสั้นลงครับพอใช้ได้แล้วครับใช้ได้สิหลวงพ่อไม่ได้ใส่ร้ายใช่ไหมอ่าครับใช่ครับแล้วเวลาที่มันรู้สึกว่าฝันนี่มันจะมีช่วงหนึ่งให้เราแบบตัดสินใจว่าจะฝันจะคิดต่อหรือว่าจะมาทําอย่างอื่นนี่ผมถ้าทําอย่างอื่นนี่คือมันดึงมาหรือว่ามันตัดไปเองครับฮะปกตินะถ้ารู้ทันมันก็ขาดแล้วอ ใช่ไหมความคิดอ่ะพอเรารู้ทันมันก็ดับแล้วล่ะหลังจากนั้นเริ่มคิดครั้งใหม่ล ะ, ะครับว่าจะเอาอยัางไงดีอ น, นั่นฝันอีกรอบแล้ว อ, อ๋อครับผมแล้วผมควรเพิ่มทําอะไรต่อครับไปทํา่อยๆนะแล้วทําในรูปแบบได้แล้วละออ่ะถึงเวลานะครั บ, รบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันถ้าสิบนาทีก็ยังดีครับนั่งพุทโธไปคอยรู้ทันจิตไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจิตสงบมีแรงแล้วบางทีเวลาเดินไปทํางานบางทีมันก็รู้ที่ความคิดบางทีมันก็รู้ที่ อาการเดินครับถูก<อ>แล้วตกลงผมจะรู้ที่ตรงไหนหรือว่ามันรู้ตรงไหนรู้อนนั้นแหละออนะถ้ารู้ที่อาการเดินเราก็เห็นร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะร่างกายมันเดินรู้ทันความคิดมันก็เห็นจิตมันคิดไม่ใช่เราหรอกใ น, ะนสุดท้ายมันก็เห็นไม่มีเราหรอกทั้งกายทั้งใจเบอร์สิปต่อไปเบอร์เกสิบเจ็ดอยู่ไหนเตรียมตัวไว้นามัส ก, การค่ะหลวงพ่อโย ม, มาให้หลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยว่าโยทําอะไรผิดหรือเปล่าฮะ ยมทำอะไรที่ให้หลวงพ่อช่วยตักเตือนให้ค่ะขณะนี้เป็นยังไงบอกก่อนกดค่ะ ก, ก็ดีแล้วละถ้างั้นรับจิตเป็นยังไงอีกอปกติจิตเป็นยังไงปกติช่วงนี้อําปกติช่วงนี้คะคือโยมกิเลสเยอะมากค่ะคือแต่ช่วงนี้โยมมีความเพียรมากขึ้นในการปฏิบัติ ตามรูปแบบแต่โยมเป็นคนที่แบบว่าเวลาสวดมนต์อย่างเงี้ยความคิดก็จะไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆโดยที่บางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับในช่วงนี้ค่ะก็จะไหลามาจากอดีตเห็นไหมว่าเราบังคับไม่ได้เ <c oughs> นี่ยมันเสียท่าเราละมันแสดงการบังคับไม่ได้ให้เราดูแล้วเพราะงั้น <c oughs> อย่าไปตกใจ <c oughs> นะยังไงยังไงไม่ว่าอะไรแสดงออกมานะถ้าดูเป็นนะมีไตรลักษณ์ให้ดูจิตแอบไปคิดถึงอดีตเนี่ย ไม่ได้จงใจมันคิดได้เองงั้นจิตไม่ใช่เราหรอกไปดูต่อไปแล้วทุกอย่างมันแสดงไตรลักษณ์ได้เก้าคิ <97. S 2> บเจ็ด ค, คนสุดท้ายแล้วที่เหลือเดี๋ยวจะได้ไปเชงเมง้งละกราบนมาตรการหลวงพ่อค่นะฟังทีดีของหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ที่ปฏิบัติหน้าง่อยไหมเห็นบ่อยไหมโอ้เห็นบ่อยดีที่สุดเลยบ้านอยู่ไหนล่ะอยู่ประจวบคีรีขันธ์นะคะ มีสติรู้ทันเรื่อยๆนะอะไรเกิดจิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลยคะฮะจิตตอนนี้เหรอวิ่งมาอยู่กับหลวงพ่อสิดูออกเปล่าเนื้อรู้รู้ลงปัจจุบันไปนะอย่าไปบังคับมันแต่ว่าทุกวันต้องทำในรูปแบบแล้วนะถึงเวลาแล้วจะเดินจงกรมก็ได้จะพุดโทอะไรก็ได้ หรือวันๆนั่งอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยแต่ไม่พุโทโธให้จิตนิ่งนะพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิต Solar. พุโทโธพุทโธจิตห น, นีไปคิดเรารู้ฝึก อ, อย่างนี้สม่ําเสมอนะถ้าจะอยู่กับลมหายใจได้ไหมคะได้ได้นะหายใจไปแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหายใจไปแล้วจิตไปคิดก็รู้ทันมันนะเนี่ยหายใจไปรู้กาย <men> หายใจไปรู้ทันจิตใช้ได้เลยแล้วจิตตื่นขึ้นแล้วยังไงคะฮะจิตตื่นขึ้นแล้วยังไงคะตื่นสิทำไมยังไม่ตื่นล่ะ ดูบ่อยๆน ะ, ะ, ะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ไปแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบให้จิตนิ่งมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เห็นร่างกายหายใจไปใจเป็นคนดูหายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดคะนะฝกอย่างนี้บ่อยๆเชิญ<ๆ>กลับบ้าน